มิลินธปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัดติยวัคสังขาระชายณะปัญหาที่สี่ถามว่า สังขารธรรมสิ่งไรที่มีอยู่แล้วและบังเกิดขึ้นอีกราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสังขารธรรมสิ่งไรที่มีแล้วและเกิดขึ้นอีกนั้นพระนาคเสนองค์อารหันท่านจิงวิสัชนาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสังขารที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นอีกนั้นได้แก่จะขู่กับรูปจะขู่กับรูปมีแล้วจะขูวิญญาณก็บังเกิดขึ้นเมื่อจะขูวิญญาณมีแล้วจะขูภผัสสะก็บังเกิดขึ้นเมื่อจะขู่ผัสสะมีแล้วเวทนาก็บังเกิดขึ้นเมื่อเวทนาบังเกิดแล้ว ตันหาก็บังเกิดขึ้นเมื่อตันหามีแล้วอุปาทานก็บังเกิดเมื่ออุปาทานมีแล้วภาวะก็บังเกิดเมื่อภาวะมีแล้วชาติก็บังเกิดเมื่อชาติมีแล้วชาาและมรณะและโสกะปริเทวนาการอะไรให้สื่ื้นก็บังเกิดทุกขขัดขันทศัศ ส, สมุทโยกองทุกทั้งปวงนั้น ก็มีขึ้นสิ้นขอถวายพระพรฝ่ายว่าพระหน้าเกษณพยากรณ์แก้ไขด้วยจักขูกดังพนานามานี้แล้วจึงแก้ไขด้วยโสตะและศรัทธแก้ไขด้วยคันทะกับขานะด้วยชิวหากับรถแก้ไขด้วยกายกับโพธพภะมีนัยยะเหมือนจักขู่กับรูปนั้นแล้วก็วิสัชนาด้วยมโนกับธรรม อันอาศัยกันแล้วบังเกิดก็มีนยะเหมือนกันกันกบจักขู่กับรูปนั้นเป็นที่จะก่อกองทุกทั้งสิ้นให้บังเกิดมีให้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีทรงฟังชะนี้แล้วพระนาคเสนผู้เป็นเจ้าจึงสำแดงซึ่งพระนิโรธต่อไปดังนี้ว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหิดสรารธิบดี อันว่าสังขารคือจักขูไม่มีรูปไม่มีรูปกับจักขูอาศัยแก่กันไม่มีแล้วจักขูวิญญาณที่จะรู้ด้วยจักขูว่ารูปอันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เกิดเมื่อจักขูวิญญาณไม่ได้มีแล้วจักขูสัมผัสคือกระทบจักขูให้เกิดเวทนาสเสวยอารมณ์เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสก็ไม่ได้เกิด เมื่อจะขูสัมผัสไม่มีแล้วเวทนาสเสวยอารมณ์คือรูปอารมณ์เป็นโสมนัสโทมนัสอุเบขาก็ไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่มีแล้วตัณหาความปรารถนาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่มีแล้วอุปาทานคือถือมั่นในความปรารถนานั้นก็ไม่เกิดเมื่ออุปาทานไม่มีแล้วภาวะคือจะให้ไปเกิดในภพทั้งสาม คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบนั้นก็ไม่ได้เกิดเมื่อเกิดในภพทั้งสามไม่มีแล้วชาติที่จะเกิดในอบายภูมิทั้งสี่เป็นเปรเตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานและเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเป็นรูปประพรมเป็นพรมหารูปไม่ได้และชาติจะเกิดไปดังนี้ก็ไม่ได้เกิดเมื่อชาติมิได้มีแล้ว จะได้มีชราและมรณะหาไม่ได้ไม่มีแก่ไม่มีตายอันหนึง่งปริเทวนาคือจะฟูมไฟน้ำตาโศกโศกาและอุปาญาตอันสะอื้นให้อะไรหาด้วยสิ่งอันมาวิโยกพลัดพรากจากกันก็บ่อห่อนมีดังนี้เรียกว่าทุกขขักขันทะนิโรธดับเสียซึ่งกองทุกทั้งปวง ขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็สโมสรสมานัตปรีดามีพระราชะองค์การตรัสว่ากันโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชาปัญหานี้โยมสิ้นสงสัยในการบัดนี้สังขารชาญะปัญหาเป็นคำรบสีจบเท่านี้